พวกเราฟังทำร่วมกันเนาะพระพุทธเจ้านะท่านก็บอกเราแล้วว่ากิตที่เราควรจะทําคืออะไรเนาะสิ่งที่ท่านบอกที่ท่านสอนเนี่ยก็บอกเต็มที่ละนผูบาจารย์นะก็สืบต่อกันมาท่านก็ท่านก็บอกท่านก็สอนเต็มที่นะ หลวงพ่อเทียนนะท่านก็สอนหลวงพ่อคาเขียนก็สอนนะพระอาจารย์เปรสาณนะท่านก็ฝากไว้เยอะแยะมากมายนะอาจารย์กัมพลเองท่านก็ก็ฝากไว้มากเหมือนกันเพราะเราโชคดีนะนะที่แบบยังมีการบันทึกนะเป็นเสียงยังมีการบันทึกเป็น หนังสือนะหรือเป็นวิดีโอด้วยให้เราได้ศึกษาสมัยนี้คนสนใจธรรมะนะหาหาอ่านหาฟังหาดูง่ายนะจากสื่อทางอินเทอร์เนต็ตต่างเนี่ยหรือว่าจากร้านค้าร้านหนังสือเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นความโชคดีของพวกเราละที่ธรรมะมันมันเป็นสิ่งที่เผยแพร่หรือว่า สามารถศึกษาได้โดยง่ายแต่สิ่งที่มันยากกว่าคือการที่จะศึกษาให้มันจริงจังสักหน่อยศึกษาให้มันเข้มข้นศึกษาให้มันด้วยความตั้งใจที่จะเอาจริงเอาจังเนี่ยมันเป็นข้ออ่อนของของคนยุคนี้คือบางทีพอมันมีอะไรเยอะมันก็มีเรื่องราวน่าสนใจ หลยอย่างนะที่ดึงดูดความสนใจของเราไปแล้วก็ทำให้เราเสียเวลาทำให้เราเนิ่นช้าทำให้เราหลงไปมันก็เยอะเหมือนกันประเด็นสำคัญคือความตั้งใจจริงของเราเนี่แหละนะที่เราจะจะใช้ชีวิตแบบไหนนะเราจะสนใจธรรมะจริงๆหรือเปล่านะหรือจะเป็นเพียงแค่ สนใจธรรมะเป็นเพียงแค่เหมือนการทดลองหรือการชิมลองอย่างหนึ่งนเราต้องพิจารณาโดยดีนะว่าชีวิตมันเป็นมันมีแต่วความทุกข์นะแม้สิ่งที่เรามีความสุขในตอนนี้หรือว่าสิ่งที่เรามีในตอนนี้นะมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นความทุกข์นะ ที่มันมากขึ้นอย่างเช่นร่างกายนะร่างกายมันก็ตอนนี้มันยังพอแข็งแรงพอสมควรนะสุขภาพยังพอใช้ได้นะแต่มันก็เป็นมันก็เป็นความเสื่อมนะี่ที่มันก็ต้องมีอยู่แล้วนะลองพิจารณาเลยดีนะเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดานะรวงคนความแก่ไปไม่ได้ มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นธรรมดานะรงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้นะมีความตายนะเป็นธรรมดาไม่สามารถรงผ้นความตายไปได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเจอแน่นะกับร่างกายนี้เราสามารถที่จะรับษาใจได้ไหมนะเมื่อเราเจอความแก่ที่มันมากขึ้นเจอความเจ็บที่มันมากขึ้น เจอความตายที่ใกล้เข้ามาแล้วเนะี่ยเราสามารถรักษาใจให้เป็นปกติให้มีให้มันยอมรับความจริงได้หรือเปล่าอันเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาดนะูวันเวลาของเราก็เหลือ น, น้อยเต็มทีนะอาจจะไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนะนะก็ไม่ดูอันนี้เราต้องพิจารณาที่เราต้องเจอแน่แน่กับกับร่างกาย หรือสิ่งที่เราต้องเจอแน่ๆนะกับกับการสัมผัสนะการกระทบต่างๆนะนะเราต้องเจอโลกกระทนะนะได้ราบเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศนะนินทาสรเสริญสุขทุกเนะี่ยอันนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอแบบหลายปีนะถึงจะเห็นชัดที่จริงมันเกิดขึ้นแทบจะทุกวันกับชีวิตอยู่แล้วนะ คือได้มานะถ้าถ้ารักษาจิตใจไม่ดีนะก็หลงอีกแบบหนึ่งนะหลงดีใจหลงตัวคองนะหลงกลายเป็นอัตตามานะนาเวลาได้นะเวลาได้ก็มันจะมีโมหะที่ละเอียดนะอย่าแม้แต่ความสุขแบบน้นนะมันก็เป็นภพภูมิอย่างหนึ่งนะถูก มากมากนะดีใจมากๆนะมันก็เป็นภพภูมิที่จิตไปสร้างจิตไปยึดไว้หรือเปล่าต้องพิจารณาโดยดีนะแต่ถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นมันแต่ไม่ไปยึดมันนะรูว่ามันเกิดขึ้นนะแต่ไม่ต้องไปไปประคองไปรักษามันนะ้ด้านความสุขด้านดีๆนะ ถ้าเราไม่มีสติมันก็หลงไปติดได้ง่ายๆเหมือนกันมันก็เป็นโมหะโมหะเพราะความดีใจนะหรือบางทีก็ทำให้เกิดความโลภอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆนะความโลภบางทีเราจะมองอ ย, ยาบหยากเราอยากได้สิ่งของอยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศอยากได้นั่นนี่มันก็อ ย, ยากอยาก แต่ความโลภที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยก่แม้แต่อยากได้ความสุขอยากได้ความสงบอยากได้ความไม่ทุกข์นะมันก็ยังเป็นความโลภในจิตเหมือนกันแต่มันก็เป็นสิ่งที่ละเอียดนะนะเราก็ต้องรู้ท้อทันมันเหมือนกันหรือโลกธรรมฝ่ายลบนะมันก็มีนินทามีความทุกข์มีความพัดพลาด จากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจต่างๆนะ่ะคือมีความเสียไปต่างๆเราต้องเจอนะเรารับมือกับเขาได้ไหมนะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตของเราอนะันนี้แหละนะถ้าเราพิจารณารดีๆนะธรรมะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เร่งด่วนนะจําเป็นด้วยนะจําเป็นแล้วก็เร่งด่วนกับชีวิตของเรานะ ที่จะต้องรีบนะรีบศึกษาด้วยความตั้งใจนะอยากให้มันเป็นงานหลักในชีวิตของเรานะงานอื่นก็เป็นงานรองนะเป็นงานเสริมนะเช่นบางคนอาจจะทํางานนะอมีงานทําก็เป็นงานเราจะใช้เวลาทํางานเยอะก็จริงนะแต่ถ้าใจเราคิดว่านั้นคืองานลองงานศึกษาธรรมะเนี่ยคืองานหลักนะ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาอยู่วัดนานๆ น, น, นะก็ได้นะแต่งานหลักเนะี่ยคืองานที่เราจะทำในใจอยู่เสมอนะงานศึกษาธรรมะก็คือการศึกษาความจริงนะศึกษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนั่นแหละก็คือการศึกษาธรรมนะคือการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราเอาตรงนี้เป็นงานหลักในชีวิตของเรานะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะน้อมมาเป็นธรรมะทั้งหมดนะเจอสิ่งเจอได้มาหรือเสียไปนะเราก็น้อมมาเป็นธรรมะนะไม่ไปหลงนะไม่ไปหลงยึดติดนะว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปนะสังเกตไหมบางทีบางคนเวลาเจอความทุกข์นะยิ่งคิดดกเข้าไปเรื่อยนะก็ยิ่งแบบทุกข์มากกว่าเก่านะ แรคิดลบมันก็ติดไปเรื่อยๆนะก็ตอนนี้ก็ทุกนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทุกไปเรื่อยเพราะว่าความคิดก็ลบนะความยึดติดนะมันก็ทุกหนักนไปเรื่อยื่องหรือตอนมันสุกนะมันก็กลัวความสุขจะหายไปหรืองทีก็อยากจะได้สุขมากๆนะจนดื่มว่าบางทีสิ่งของต่างๆมันได้มามากมันก็อไป ตายไปก็ออกไปไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าได้มาด้วยความสมควรแล้วก็ใช้ด้วยความไม่ยึดติดนะอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่บงทีเราก็หลงลืมว่าการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆมันจะนามาซึ่งความสุขนะเราไปคิดว่าเหตุปัจจัยข้างนอกมันไปทำให้เกิดความสุขใจนะแต่จริงความสุขที่แท้จริงนะในทางพุทธศาสนาคือความสุขที่เกิดจากการ ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นความสุขจากการปล่อยการวางความสุขทางโลกเนี่ยเป็นความสุขจากการเอานะจากการยึดนะจากการไดนะ้แต่ความสุขในทางธรรมจริงๆเนะี่ยคือความสุขจากการจากการวางนะจากการปล่อยจากการวางจากการไม่ยึดแล้วนะแต่ยังเกี่ยวข้องอยู่นะยังสัมพันธ์อยูนะ่แต่มันไม่ยึด มันไม่ติดมันไม่ทุกข์นี่คือความสุขเราจะทำยังไงเราถึงจะมีความสุขที่แท้จริงแบบนี้ได้เราถึงจะละทุกข์ได้จริงจนะิเราต้องกลับมาศึกษานะศึกษาความจริงนี่แหละนะความจริงที่มันเกิดขึ้นนะกับกายกับใจนี่แหละนะเรากลับมาศึกษาตรงนี้บนะ่อนยะศึกษาถ้าเราดูดีๆนะ เนะจิตใจมันจิตใจของคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็คือจะลออ่องลอยะล่องลอยไปกับความคิดนะหรือบางที่ก็จมกับอารมณนะ์นะะคือใจลอยเหมือนเนานะใจลอยเหมือนกับลมพัดอะไรฟุยนุ่นอะไรแบบนั้นเนาะลมพัดมาก็ปิวไปเรื่อยนะหมดลมก็ตกลงมานะมีลมใหม่ก็พัดไปเรื่อยอีกนะไม่รู้ลมจะพัด ไปทางทิศไหนนะฟิวนุ่นเนตัวนุ่นเองไม่สามารถที่จะที่แชแบบบอกได้แต่เพราะเขาเบาถูกอะไรมากระทบก็ไปนะตามเขาจิตใจนะของคนที่ไม่ฝึกก็แบบนั้นนะมีอะไรกระทบก็พาไปบางทีก็สุขพาไปบางทีก็ทุกข์พาไปนะ พาไปแล้วนะเนี่ยมันก็ไปจมนะเวลาเศร้าก็จมกับความเศร้านะเวลาสนุกสนานก็ไปจมกับความสนุกสนานเนะี่ยบางทีก็ลอยนะบางทีก็จมนะแต่หลักๆ ก, ก็คือว่ามันไม่มันไม่เป็นอิสระนะมันถูกกระทํำนะถูกโลกกระทำนะจนบอบช้ำนะจนเป็นทุกข์ใจให้เรา ในเมื่อเราถ้าเรารู้อ๋อใจมันไปกับความคิดใจมันไปกับอารมณ์นะทำไงจะให้ใจมันกลับมามีที่ตั้งมีฐานนะีนะ่กรรมฐานทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเป็นการฝึกให้ใจนะมีที่ตั้งให้ใจมีที่อยู่นะะกรรมฐา น, นจริงๆเนะี่ยเปียบเหมือนเป็นบ้านของใจนะ บ้านที่มันจะน่าอยู่เนะ่ยมันก็คือมันต้องเป็นที่ที่ที่สบายนะที่ที่สงบที่ที่เรารู้สึกว่าอยู่แล้วผ่อนคลายเนาะความรู้สึกของบ้านนะ่ะคือมันอยู่แบบสบายๆอยู่แบบไม่อึดอัดไม่เคร่งเครียดเวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็ให้ทําแบบนั้นนะวางใจแบบนั้นนะ่ะอยู่แบบ สบายๆนะอยู่แบบพอใจนะที่จะทเนะเราอย่าไปทากรรมฐานให้เป็นคุกนะคุกในการขังจิตนะไม่ให้มันไม่คิดเลยไม่ให้มันไม่หลงไปเลยนะขังไว้เลยนะนเราคิดว่าจิตมันคือนักโทษนะต้องขังไว้นะต้องบังคับนะต้องกดข่มอะไรนะั่ะถ้าเราไปทำกรรมฐานแบบคุกนะ เราก็เป็นทุกข์นะจิตใจเ ก, ก็เครียดนะต้องทำกรรมฐานแบบเป็นบ้านนะอยู่แบบอบอุ่นอยู่แบบสบายอยู่แบบผ่อนคลายนะนะเนาะเราเดินก็ดีนะนั่งก็ดีนะเย็ยนเดินนั่งนอนนะขู้เหยียดเคลื่อนไหวนะให้เรารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวก็คือเรารู้ตัว ร, มรวมนะ เห็นตัวเห็นกายเขาทํางานนะแต่เราดูลมนะนะอย่างบางคนดูลมดูอาณาปานาสติกนะก็ไม่ใช่ดูแต่ลมนะถ้าดูแต่ลมมันจะกลายเป็นสมถะเป็นสมาธินะแต่ถ้าดูแบบวิปัสนาดูแบบเจริญปัญญาเนะี่ยเราดูร่างกายเขาหายใจนะมันต่างกันนะดูลมเนะี่ยเห็นแต่ลมนะ ไปเพ่งจ้องแต่ลมนะแต่ถ้าเราจะดูแบบวิปัสนาเราดูร่างกายเขาหายใจเข้าดูร่างกายเขาหายใจออกนะดูร่างกายเขาท้องเขาท้องเขาพอ ง, อ ง, องดนะูหายใจออกแล้ว ก, ก็ท้องยุกอะไรอย่า น, นีนี่คือดูดูร่างกายือนะดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรย่นะีนะ้คือดูดูลำรวม ไม่ได้ดูเท้าไม่ได้ดูแต่มือนะนะ่ะคือดูร่างกายเขาทำงานนะเราก็จะเห็นว่าร่างกายเขาเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะรูปนะเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะรูปหายใจเข้านะล้วก็เกิดรูปหายใจออกนะรูปมันไม่เที่ยงแบบนีน้รูปหายใจเข้ามันก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นแป๊บนึงพักหนึ่ง แล้วก็เจอความทุกข์บีบคั้นให้รูปต้องหายใจออกนี่มันเป็นทุกข์ประจำสังขารไม่สามารถบังคับได้หายใจออกแล้วมันก็เจอความทุกข์บีบคั้นอีกนะี่ก็ต้องหายใจเข้าใหม่เนี่ยรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกข์รูปมันบังคับไม่ได้ะจะปวดจะเมื่อยจะเจ็บจะร้อนจะหนาวนะบังคับไม่ได้ อวัยวะข้างในเขาก็ทำงานของเขาเองนะเราก็ทำได้เพียงแค่ข้างนอกนะนิดๆิในหน่อยไปนะแต่ก็บังคับไม่ได้ทั้งหมดจริงๆนะเป็นเพียงแค่ตามเงื่อนไขที่มันพอใช้ได้เฉยๆเนี่ยเราดูรูปนะดูกายนะดูกายเคลื่อนไหวนะต่างๆเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนอยู่ในรูปเนะี่ย เราดูนามธรรมก็เหมือนกันนะดูเวทนาความสุขเกิดขึ้นมาพักนึงนะแล้วก็อาจจะเกิดความสุขมากขึ้นกว่าเก่าอีกนะมันก็เป็นความสุขครั้งใหม่ที่มันเกิดขึ้นมา่นะมันหายไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่หายไปเกิดขึ้นใหม่หรือจะดูชัดๆก็ดูตัวความคิดก็ได้นะนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นไอ้ความคิดมันแบบแบบแบบนะ อาจจะดูเหมือนนี่ทําไมคิดเยอะคิดบ่อยคิดมากเนละแต่จริงเราจะเห็นว่าความคิดมันมาเป็นแบบแบบนะเหมือนไฟกระพริบนะเราสังเกตไหมไฟกระพริบนะมันก็เป็นทีละขณะนะมันกระพริบแล้วก็ดับแล้วก็กระพริบใหม่นะไปเรื่อยๆนะมันเป็นแบบนั้นนะ่ะนะเหมือนเหมือนหิ่งห้อยนะกระพริบกระพริบกระพริบนะจิตก็เป็นแบบนั้นนะนอะมันกระพริบนะกระพริบ ความคิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมานะมันไม่ใช่เป็นความคิดเดียวแล้วมันแล้วมันอยู่ตลอดนะเวลาทุกข์นะเราก็ไม่ได้ทุกข์ตลอดหรอกนะเวลาโกรธก็ไม่ได้โกรธตลอดหรอกนะโกรธสลับกับคิดนะไปเรื่อยๆหรือบางทีก็ดื้อนะไปไปคิดเรื่องอื่นนะหรือบางทีก็ไปสนใจอย่างอื่นมันก็ดื่อดืมอารมณ์โกรธไปช่วขณะหนึ่งแบเนะี้ เราดูเนอ๋อที่จริงแล้วมันเราเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดว่ามันเป็นเรานะเราไปเราไปยึดว่าเราทุกข์เราไปยึดว่าเราคิดเราไปยึดว่าเราเป็นนะมันเป็นทุกข์เพราะตรงนั้นแต่ถ้าเห็นว่าจิตมันคิดของมันเองนะจิตมันเปลี่ยนแปลงของมันเองนะจิตมันโกรธเนะเห็นเป็นเรื่องของจิตนะจิตมันสุขจิตมันทุกข์ จิตมันดีจิตมันได้นะหรือบางทีเราไม่ต้องไปแยกก็ได้เห็นว่าจิตมันมันไหวไปนะคล้ายๆเหมือนดูกายก็ได้นะดูกายเคลื่อนไหวอันนี้ก็ดูใจมันไหวดูใจมันคิดก็คือใจมันไหวเนี่ยะนะดูเป็นแบบนี้ก็ได้อ๋อใจมันไหวนะก็ดูมันดูโอ้ตัวใจมันไหวแล้วเราก็จะเห็นว่าใจมันไม่ความคิด นะความคิดอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจมันไม่ใช่เราเนะ่มันเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะเราจะไปบังคับทำไมนะมันบังคับไม่ได้นะแต่การฝึกหัดก็คื อ, อพาเขากลับมาหาฐานนะมาหาที่ตั้งนะใจมันลอยออกไปน ะ, ะไม่เป็นไรดูแล้วว่าใจลอยนะก็กลับมา รู้สึกตัวหมนะ่ทำง่ายๆแบบนี้นะนะอย่าไปเครียดนะมันลอยออกไปกับความคิดกับอะไรก็แล้วแต่นะรู้สึกตัวเมื่ อ, อไหร่นะกลับมากนะารทำให้มันพรนะพุทธเจ้าท่านบอกว่านะกรรมฐานนะคือให้เราทำให้มันเนืองเนื่องนะค ว, ว่าทำเนืองเนืองก็คือทำบนะ่อย บางทีแต่ถ้าบางคนไปเครียดคือพยายามจะทําให้มันติดนะทําให้มันไม่มีช่องว่างเลยทําให้มันแบบไม่ให้มันมีความหลงแทรกเลยนะอย่างนั้นมันจะเครียดนะมันจะเครียดเกินไปทํำเนืองๆคือทำบ่อยๆนะแล้วลึกใต้เมื่อไหร่ก็ให้มีสตินะใช่รู้ตัวนะถ้าทํำบ่อยๆนะมันจะไม่เครียดนะแต่ถ้า โอ้ไม่อยากหลงเลยหรือต้องรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเครียดมันจะกลายเป็นการบังคับมันจะกลายเป็นการประคองนะเราต้องรู้แบบรู้แล้วจบนะนะแม้แต่ตัวรู้นะก็รู้แล้วก็ให้มันจบนะจบตรงที่รู้นะบางทีเราไปคิดว่าเอาตัวรู้ให้มันยาวๆนะเอาตัวรู้ให้มันทีทีนะ ต้องรู้แล้วก็จบแล้วก็รู้ใหม่ไปเรื่อยนะอย่าไปคิดเอาตัวรู้ตัวเดียวให้มันรู้ยาวตลอดเวลานะให้ตัวรู้ก็เกิดดับนะอารมณ์ก็เกิดดับนะอารมณ์เกิดขึ้นมาตัวรู้ก็เกิดตามมาเห็นนะเห็นตามไปเห็นเรื่อยนะเวลามันคิดเราก็ตามเห็นเวลามันคิดเราก็ตามเห็นนะแต่คําว่าตามนี้ไม่ใช่ไป ไล่หาดูนะะคำว่าตังคือเหมือนนั่งดูนั่งดูมันเหมือนเรานั่งดูทีวีนะเสียงอะไรเกิดขึ้นมาภาพอะไรเกิดขึ้นมาเราก็เห็นนนั่งดูมันนแต่ไม่ใช่นั่งจ้องนั่งดูแบบสบายๆนะนะกรรมฐานนะที่เราทํานะให้เรามีกรรมฐานให้เหมือนเป็นบ้านให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตใจเนาะ เวาทำก็ทำให้มันสบายนะทำให้มันผ่อนคลายแล้วก็ทำให้มันเนืองเนื่องนะทำอยู่เสมอเสมอนะขยันก็ทำนะขี้เกียจก็ทำนะกรรมฐานเนะี่ยมันถ้าเราขยันก็ทำนะมันก็จะขยันเป็นช่วงขี้เกียจก็ไม่ทำนะมันก็จะหายไปนานนะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำนะ มันดีเราก็รู้มันไม่ดีเราก็รู้นะดูไปไปบ่อยดูไปเรื่อยนะเห็นมันนะอย่าเข้าไปเป็นกับมันนะคือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะคือสิ่งที่มันเกิดมาให้เห็นแต่ถ้ามันหลงเราจะเข้าไปเป็นเข้าไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของของเรานะเป็นอาการของเรานะ แต่ถ้าเห็นนะมันจะเป็นอาการของมันไม่ใช่ของเรานะแต่จริงก็มันยังมีเรามีเขาอยู่นะแต่จริงมันก็เป็นแบบนี้แหละแรกๆนะมันยังมีอาการที่มันถูกเห็นนะมันเป็นอาการหนึ่งยังมีตัวเราที่เป็นผู้เห็นอยู่นะแต่มันก็ต้องเป็นขั้นแบบนี้ไปก่อนนะให้มีอาการที่มันเห็นเช่นรูปเช่นนามที่มันปรากฏเนะี่ย ก็มีสติเป็นผู้เห็นก็เห็นไปเรื่อยแต่เราก็อาศัยการเห็นนั้นอปล่อยวางไปด้วยทีละขณะไปด้วยนะเนี่ยเราก็ทํำบ่อยๆตัวปัญญามันก็เกิดขึ้นเพราะการเห็นบ่อยๆนี่แหละนะ ừ. ปัญญามันไม่ใช่เกิดขึ้นว่าเราจะต้องสงบเราจะต้องนิ่งๆเราจะต้องไม่คิด แล้วมันจะปิ๊งปัญญาขึ้นมาเนะี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะปัญญาเหมือนก็เราเห็น บ, บนะ่อยๆเนี่ยศึกษา บ, าบานะ่อยๆเแล้วมันเข้าใจนะเหมือนเราเรียนหนังสืออหละนะเราได้ฟังครูสอนเราได้อ่านทบทวนเราได้พิจรารณาตามไปด้วยนะเนะี่ยเราไขควงหยุดตรงนั้นศึกษาตรงนั้น บ, บ่อยๆทําแล้วซ้ำไม่เล่านะเนอะ เราก็จะเข้าใจอ้อเข้าใจแล้บวบทเรียนตรงนี้นะทำข้อสอบก็ไดนะ้จิตใจของเราก็เหมือนกันเนะี่ยออมันต้องเห็นบ่อยศึกษาบ่อยนะทบทวนบ่อยแบบนี้แหละนะมันก็จะเข้าใจนะแต่เป็นการเข้าใจที่ไม่ใช่เกิดจากการคิดนะนะเข้าใจเกิดจากการเห็นนะแล้วจิตมันเกิดความเข้าใจขึ้นมานะก็ให้เรา ได้มีความตั้งใจในการฝึกฝนตรงนี้ดูนะมันจะได้มีที่พึ่งเนะี่ยที่พึ่งมันก็ได้พึ่งได้ทั้งตอนนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นที่พึ่งในอนาคตด้วยนะในวันใด ว, วันหนึ่งที่เราต้องแก่มากๆต้องเจ็บมากๆนะหรือต้องตายหรือต้องเจอการพัดผาเสื่เสียต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราฝึกเนี่ยแหละมันจะได้เอามาใช้ทันทีนะ บางทีเจอแล้วค่อยมาฝึกนะบางทีมันก็มันก็ทํายากแต่เราฝึกไว้ก่อนเนี่ยนะนะเมื่อมันเจอนะมันจะได้ใช้ ท, ทันทีนะนี่คือเป็นความโชคดีของเรานะที่เรายังมาฝึกตั้งแต่ตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่พอสมควรตรงนี่ยนะนะฝึกเอาไว้นะได้ใช้ทั้งวันนี้นะแล้วก็ได้ใช้ตลอดทั้งชีวิตของเราเลยเนาะ ก็ปากไวครับ